ก็ยางที่บอกนะเมื่อกี้ให้ใช้มือประสานไว้ด้านหน้าจัดร่างกายให้ดีก็ยืนนิ่งๆตรวจดูร่างกายของตนเองก่อนวันีว่าในห้องนี้ไม่มีใคร ันอมาก็จะขอถอดหน้ากากก่อนเราก็ยืนสำรวจกำหนดกำหนดเส้นทางการเดินของตนเอง จากนั้นก็รู้ในการยืนในอิริยาบถยืนเก็บมาตั้งแต่สีสษะลงไปจนถึงขาท้าแล้วก็รู้ไล่ขึ้นมาจาก่าท้าขึ้นมาข้างบนคือสีสษะรู้จากสีสษะลงไปที่ขาท้ารู้จากขาท้าขึ้นมาลงสีะ ส, สะตีรษะรู้ไล่ขึ้นไล่ลงอยู่อย่างนี้ มันคล้ายๆกับการรู้อยู่เฉพาะหน้านี่แหละรู้อยู่ที่กายก็เก็บมือนะเอามือซ้ายมาวางไว้ข้างหน้าแล้วเอามือฝามาวางทับไว้แล้วก็วางให้มันอยู่ในจุดที่สบายไม่เกรง็งไม่ฝืน พอเรารู้กายได้จากนั้นเราก็รู้ยืนเวลารู้ยืนนี่ก็รู้สึกกายทั้งกายมันมีน้ำหนักกดทับไปที่ขวาเท้าทั้งสองข้างขยับข่าเท้าสองข้างทั้งซ้ายและขวาให้จิตมันรู้สึกในอิริยาบถยืนจริงๆเวลามันรู้สึกในอิริยาบถยืนอย่างนี้ที่ข่าเท้าขยับอยู่ ให้สังเกตว่าจิตมันหลุดออกมาจากสิ่งอื่นๆภายนอกทั้งหมดไม่ไปเสวยอารมณ์ใดๆมันจะอยู่ที่ฝ่าเท้าที่มีน้ำหนักกดอยู่แล้วก็รู้ขยายขึ้นมาทั้งกายที่เป็นแท่งกายตั้งตรงๆเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยต่อไปก็รู้กิริยานะ กิริยาตามที่เราถนัดใครถนัดซ้ายก็ใช้ซ้ายใครถนัดขวาก็ใช้ขวาแต่ต่อมานี่จะใช้เท้าซ้ายกิริยามีอะไรกิริยาก็คือกิริยาที่จะเดินในขณะที่ส้นเท้ามันยกขึ้นก็รู้ส้นเท้ามันย่างไปก็เท้าซ้ายมันย่างไปก็รู้เหยียบลงก็รู้ กิริยาเนี่ยตอนนี้รู้กิริยานะไม่ต้องไปท่องว่ายกซ้ายย่างซ้ายเหยียบซ้ายไม่ต้องไปท่องว่ายกขวาย่างขวาเหยียบขวาแต่ให้รู้ว่านั่นคือกิริยากิริยาที่มีการยกขึ้นสติระลึกรู้พอย่างไปก็รู้รู้ในกิริยาที่ย่างรู้ในกิริยาที่เหยียบ รู้ในกิริยาที่เท้นยกขึ้นรู้ในกิริยาที่เท้ามันย่างไปรู้ในกิริยาที่เท้ามันเหยียบลงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆรู้ในกิริยาในระหว่างที่รู้กิริยาอยู่นี้มันอาจจะหลุดไปมั่งเราก็วางเท้าวางเท้าให้ระยะของเท้ามันพอเหมาะสบายสบาย สายตาเนี่ยคอลําคอตั้งตรงสายทามองแบบไม่กวัดแหวงไม่วกแวกมองแบบสบายสบายตาเราที่มองเห็นไปข้างหน้านั้นมันก็แค่เห็นเท่านั้นเป็นการรู้ที่พอแค่เห็นเพื่อให้มันเดินถูกเท่านั้นเองในแรกๆนี้อาจจะเดินช้าหน่อย ในแรกแรกเราอาจจะเดินช้าเพื่อให้จิตที่รู้มันเป็นระเบียบพอเดินมาจนถึงสุดสุดที่เดินก็หยุดหยุดอยู่แล้วก็รู้กายทั้งกายที่หยุดอยู่ รู้ในการยืนจากนั้นก็รู้กิริยาที่เราจะต้องหมุนตัวกลับแล้วก็รู้กายทั้งกายแล้วก็รู้กิริยาคือส้นที่จะยกขึ้นเท้าที่จะย่างไปแล้วก็เหยียบลงทั้งซ้ายและขวาจนสุดที่การหยุด พอสุดแล้วก็หยุดก็รู้กายทั้งกายอีกแล้วรู้สึกถึงการยืนที่ฝ่าเท้าที่มันมีน้ำหนักกดทับอยู่จากนั้นก็รู้กิริยาคือหมุนตามเข็มนาฬิการู้กายทั้งกายพร้อมแล้วก็รู้กิริยา คือการยกการย่างการเหยียบทั้งซ้ายและขวาต่อไป สุดก็หยุดรู้กายทั้งกายที่ยืนจากนั้นก็รู้กิริยาหมุนแล้วก็รู้กายทั้งกายรู้ยืนแล้วก็รู้กิริยาที่ยกย่างแล้วก็เหยียบต่อไป สุดก็หยุดนะไอ้ตรงที่หยุดเนี่ยเป็นจุดที่จะเคลียร์จะเคลียร์อุปกิเลสหมายความว่าเครื่องที่มีมนทินต่อจิตรู้ในการเดินให้รู้มันปรับตัวเองเข้ามาสู่การบริสุทธิ์ก็คือรู้กายท้งกายรู้ยืนรู้หยุด แล้วก็รู้กิริยา ถ้าเราลืมตาและจิตไปสวยอารมณ์ภายนอกจากที่ตาเห็นมันกว้างออกไปเราก็สามารถรีรีตาลงรีตาลงเพื่อลดลดการกระทบกับภาพภายนอกให้มันน้อยที่สุดที่มันสบายๆนะ เราจะสังเกตว่าถ้าตาเราเปิดกว้างมากใสำหรับบางคนนะภาพที่มองเห็นทำให้จิตมันไปรู้ภาพนั้นเยอะเกินไปรู้ข้างหน้าเรียเกินไปจะไม่ค่อยแน่แน่อยู่กับกิริยาของเท้าที่เคลื่อนไหวเราก็แก้ได้ด้วยการรีรีตาลง เพื่อลดการกระทบกับสีกับภาพต่างๆทางสายตาได้มันก็จะไปเพิ่มเพิ่มการระลึกการรู้ในกิริยาคือการเคลื่อนไหวของเท้าได้ก็ลองลองดูแต่ถ้าใครไม่เป็นปัญหา ก, ก็ไม่ต้องจุดนี้นะแต่บางคนมนะีตามันเปิดกว้างมากไปแล้วทำให้ทำให้มันไปใส่ใจเรื่อง เรื่องที่ตาเห็นเยอะเราก็รีตาลงรีตาลงไม่ใช่ก้มหน้านะไม่ใช่ก้มหน้ารีตาลงรีตาลงได้ก็ลงมาปรับปรับเวลาเรายืนหมุนรูปกิริยามาอยู่ในท่าที่จะยกย่างเหยียบนั่นแหละ ที่เตรียมจะเดินแล้วเราก็หีตาของเราลงดูให้มันรับภาพน้อยแล้วก็แค่มองเห็นเส้นทางที่เราเดินแบบสบายๆแล้วแค่นั้นก็เพียงพอจิตที่ระลึกและรู้ในกิริยาที่ยกย่างเหยียบมันก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าถึงตอนที่หยุดอยู่ก่อนที่จะรู้กิิยาในการหมุนกลับถ้ารู้สึกว่าจิตมันมันรู้ไม่ค่อยชัดให้ยืนแล้วก็หลับตายืนแล้วก็หลับตาแล้วก็ใช้จิตรู้ตรวจ ด, ดูกายทั้งกายตั้งแต่เบื้องบนจนถึงหลังเบื้องล่างตั้งแต่บตาแล้วก็ให้จิตรู้ระลึกลงไป มันก็จะชัดขึ้นมาทันทีเพอชัดแล้วเราก็รู้กิริยาในการหมุน ตัวสติที่มีกับสัมปชัญญะสติคือตัวที่ระลึกตรงไปในกายทางกายระลึกในการยืนระลึกในกิริยาในการยกในการย่างในการเหยียบ เรีาตัวที่ระลึกลงในไปกิริยาการเคลื่อนไหวของกายตัวที่ระลึกตรงเข้าไปสู่กิริยานั้นๆเรียกว่าสติตัวสัมผััญญะสัมผัสัญญะก็คือตัวรู้ตัวรู้ที่คลออยู่กับกิริยานั้นๆนั้นเป็นสัมผัสัญญะราการระลึกการรู้ เกิดขึ้นที่ตายและกิริยาของกายในการเดินเป็นการให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่อง ถ้ามันมีสัญญาสัญญาด้วยอำนาจของตา ม, มาสัญญาก็ดีเกิดเกิดเป็นความคิดที่มันปรุงขึ้นมาได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้เราก็ใช้สัญญานั่นแหละเป็นฐาน ได้ออสติเข้าไประลึกรู้คลายสัญญาอันนั้นแล้วก็เพิ่มการระลึกตรงเข้าไปถูกกายแท้ๆด้วยการหยุดยืนตรงจุดที่หยุดจุดที่เราหยุดยืนก่อนที่จะเดินให้พิจารณากายนั้นทั้งกาย ว่ามันเป็นแค่กายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลไม่มีเพศอะไรไม่มีความสาคัญอื่นใดด้วยอำนาจของอวิชชาตันหาอุปาทามันเป็นเพียงแค่ก้อนธาตุก้อนหนึ่งที่ตั้งอยู่ เพื่อที่จะให้สติระลึกตรงเข้าไปสู่กายแท้แท้นแล้วก็ระลึกในการเดินในกิริยาที่ยกย่าเยียบต่อไป ความรู้สึกที่มันเกิดที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเป็นความรู้สึกที่รู้สึกขึ้นมาได้จนถึงกลางลำแข้งทั้งไส้ทั้งฝ่าอันนั้นเป็นเวทนาเวทนาตรงนี้ เขเกิดมาจากผัสสะเกิดมาจากเจตนาเกิดมาจากผัสสะที่ฝ่าเท้าไปกระทบกับพื้นที่เราเหยียบก็เป็นผัสสะขึ้นมาซึ่งผัสะตัวนี้มันก็เกิดมาจากเจตนา พเราเห็นเห็นเวทนาเราก็รู้ว่ามันมาจากอะไรมันมาจากผัสสะมาจากเจตนาหรือเรียก ว, ว, ว่ามันมาจากกรรมก็ได้เวทนานี้มีกรรมเป็นเด่นเกิดมีผัสสะเป็นเด่นเกิดมีเจตนาเป็นเด่นเกิด ก็แค่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราเวทนานั้นไม่ใช่เราเราไม่ได้อยู่ในเวทนานั้นก็ยังคงทำหน้าที่แค่ผู้รู้ก็ดูเวทนานั้นตามความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเวทนาตัวหนึ่งเกิดขึ้นดับไป เวทนาตัวหนึ่งก็เกิดขึ้นดับไปในระหว่างที่เรากำลังเดินอยู่นั้นแล้วก็ทำหน้าที่แค่รู้แค่ดูไม่ต้องไปจ้องแช่อยู่กับเวทนานใดๆคงคงทำหน้าที่รู้กายรู้ยืนรู้กิริยา การทำความรู้ในสภาพธรรมทั้งกายทั้งยืนทั้งหยุดอย่าให้มันลุกลี้ลุกลนถ้ามันรู้สึกรีบเร่งมีความรีบเร่งมีเจตนาในการรีบเร่งในการกรรํําาไปกาหนดรู้เข้าไปรู้นั่นแสดงว่าเราเน้นถึงการกําหนดมากกว่าการรู้โดยจำเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นทำให้มันสุดสบายสบยนยะไม่ไปเกรง็งไม่ไปรีบเร่งลุกลี้ลุกดนแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอนของการรู้ มันรู้สึกเมื่อยมีความรู้สึกเมื่อยตึงนั่นเป็นเวทนาทั้งหมดก็ไม่ยืนหลับตาแล้วก็พิจารณาแล้วก็รู้กายทั้งกายทำความผ่อนคลายให้มันเกิดขึ้นและจากนั้นค่อยไปรู้กิริยาในการหมุน ตอนนี้ก็จิตมันรวมมีสติสำหรับฉันยะจากการเดินมีกำลังพอสมควรต่อไปนี้ให้คณะผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านหยุดยืนอยู่เหมือนท่าเตรียมจร้อง แล้วก็ตรวจดูรู้กายให้จิตมันรู้ตั้งแต่ศีสะลงไปจนถึงข่าเท้าและรู้จากข่าเท้าขึ้นมาจนถึงศีสะเมื่อก็รู้พร้อมอย่างนี้แล้วให้รู้การยืนสังเกตน้ำหนักที่กดทับอยู่ที่ขาเท้ามันมีเวทนาปรากฏ เรามองผ่านเวทนานั้นไปทำความอนุมานความรู้ตรงก็ไปผ่านผิวหนังตรงขวาเท้าทั้งสองข้างจากขวาเท้าดันจากหลังเท้าให้หลับตาด้วยพิ จ, จรารณาใช้สติเจาะจากหลังเท้าลงไป ลงไปลงไปไม่ต้องไปมองผ่านไปมองเห็นอะไรเลยตรงเข้าไปถึงกระดูกเราเจาะลงไปถึงกระดูกตรงไหนที่เป็นกระดูกหลังเท้าเอาสติกำหนดจิตเดินไปเดินไปอยู่ปลายเท้าที่เป็นกระดูกตั้งแต่นิ้วหัวแม่เท้าข้างซ้ายหรือข้างฝาก่อน จากนิ้วหัวแม่เท้าเป็นนิ้วชี้เท้านิ้วกลางเท้านิ้วนางเท้าและนิ้วก้อยเท้าเป็นกระดูกปลายนิ้วทั้งห้าของเท้าซ้ายที่เป็นกระดูกแล้วก็ถอยกลับมาจากปลายนิ้วเป็นโคนนิ้วไม่เห็นอะไรอื่นทำตัวให้เห็นเป็นกระดูก กระดูกอุ้งกว่าเท้ากระดูกส้นเท้าลหลขึ้นมาเป็นกระดูกหน้าแข่งเป็นแท่งๆนะไม่ไม่ต้องไปเห็นเลือดเห็นหนังเห็นเนื้อเห็นแต่กระดูกจากเท้าซ้ายจนไปถึงข้อเข่าหลังจากนั้นก็ไปที่กระดูกเท้าฝา่าดูจากปลายนิ้วเท้าขวา จากนิ้วโป้งเท้าซ้ายเท้าขวานิ้วชีเท้าขวานิ้วกลางเท้าขวานิ้วนางเท้าขวานิ้วก้อยเท้าขวาดูผ่าเนื้อลงไปเห็นเป็นกระดูกนะเห็นกระดูกข้อต่อของนิ้วทั้งห้าที่เป็นเท้าขวาของเท้าซ้ายแล้วก็ดูไล่ถอยมาเป็นกระดูกอุงเท้าขวากระดูกส้นเท้าเป็นกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาจนปินเป็นถึงกระดูกข้อข้อต่อ จากนั้นดูทั้งสองเท้าดูเป็นกระดูกที่ฝ่าเท้ากระดูกข้อเท้ากระดูกกระดูกหน้าแข้งทั้งสองข้างกระดูกข้อต่อทั้งสองข้างเห็นน้าหนักทั้งหมดน่ะน้หนักของกายทั้งหมดมัน ก, กดตรงไปกระดูกส่วนนี้รับน้าหนักจากนั้นดูทั้งสองข้างจอกหนังจอกเนื้อจอกฟังผืดจอกเลือดจอกเส้นเอ็นเข้าไป ดูกระดูกขาทั้งสองข้างขึ้นมาถึงกระดูกเชิงกลานขึ้นมาถึงกระดูกเชิงกลานกระดูกข้อต่อสัลหลังกระดูกต่อกับกระดูกสัลหลังดูกระดูกสัลหลังขึ้นมาถึงกระดูกซี่โครงกระดูกกระดูกสัลหลังตรงขึ้นมาเป็นข้อต่อข้อข้อข้อข้อและดน ด้านหน้าของกระดูกสันหลังช่วงกลางก็เป็นกระดูกซี่โครงเป็นซี่ๆทั้งซ้ายทั้งขวาอุ้มไว้ไม่ไปดูหัวใจไม่ไปดูอวัยวะภายในอื่นนะเห็นแค่กระดูกเท่านั้นก็ขึ้นมาจนถึงกระดูกข้อต่อเอ่นไปทางซ้ายก็เป็นกระดูกไหาบารากระดูกสมบับซ้ายขวากระดูกไหาบาราซ้ายขวา ดูเห็นเป็นกระดูกข้อต่อซ้ายขวากระดูกต้นแขนบนซ้ายขวากระดูกข้อต่อตรงข้อศอกซ้ายขวากระดูกต้นแขนล่างซ้ายขวากระดูกข้อมือซ้ายขวากระดูกที่เชื่อมต่อกับนิ้วมือทั้งซ้ายทั้งขวาและก็กระดูกนิ้วมือซ้ายขวาทั้งห้านิ้วทั้งสองข้างเห็นเป็นรูปเป็น เป็นรูปกระดู ก, กรงกระดูตั้งแต่คอตอ่อคอต่อลงไปจากนั้นกลับไปตั้งจุดที่คอตอ่อเห็นคอกระดูกคอตอ่อสามข้อสี่ข้อที่เป็นช่วงคอตรงขึ้นไปที่กระโหลกศีสษะรับกระดู ก, กรงสีสษะด้านล่างเห็นกระโหลกศีสษะดูไปจากด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านบน เห็นเป็นกระโหลกศีกรษะแล้วก็ดูจากด้านหน้าเห็นกระดูกเบ้าตาทั้งสองข้างกระดูกจมูกทั้งที่อยู่ด้านล่างจากเบ้าตาเห็นกระดูกควันกระดูกข้างของกะโหลกศีรษะร่างทั้งร่างที่ยืนอยู่เห็นเป็นโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงข่า เมื่อเห็นเป็นโครงกระดูกอย่างนี้ต่อไปนี้ให้กำหนดโครงกระดูกนี้เดินกระดูกข้างซ้ายยกก้าวไปกระดูกข้างขวายกก้าวไปเป็นแค่โครงกระดูกที่กำลังก้าวซ้ายขวา เวลาหยุดก็โครงกระดูกหยุดหมุนโครงกระดูกก็หมุนก้าว <9 S 1> <9 S 2> เดินซ้ายฝาโครงกระดูกก็เป็นก้าวซ้ายก้าวฝา หยุดโครงกระดูกก็หยุดตรวจดูในตอนหยุดยืนอยู่ให้ตรวจดูโครงกระดูกตั้งแต่กระดูกข้อเท้าซ้ายขวากระดูกอุ้งเท้าซ้ายขวากระดูกส้นเท้าซ้ายขวารับน้ําหนักของโครงกระดูกด้านบนแล้วก็เดินขึ้นมาจนถึงกระดูกศีรษะด้านบนก็ดูกระดูกศีรษะด้านบนไล่ลงไป ไล่ลงไปจนถึงคอต่อกระดูกสันหลังเห็นกระดูกซี่โครงลงไปกระดูกเชิงกรานกระดูกท่อนขาบนสองข้างกระดูกท่อนขาล่างสองข้างกระดูกข้อเท้าซ้ายขวากระดูกอุ้งเท้าซ้ายขวาและกระดูกนิ้วเท้าซ้ายขวาแล้วก็หมุนเห็นโครงกระดูกหมุน ดูโครงเห็นโครงกระดูกที่ตั้งยืนอยู่แล้วก็ดูกิจยาด้วยโครงกระดูกที่ยกย่างไป ถึงที่จุดยุดยืนอยู่ในพิจารณาว่าความหมายรู้ทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอำนาจของอุปาทานที่มันมีการยึดยึดยึดยึดอยู่เป็นสิ่งที่พอกพูนออกมาจากตัวกระดูกที่เป็นโครงด้านใน เป็นเนื้อตัวของเรา f r o ทั้งสิ่งทั้งหลายที่เราไปอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทั้งสิ้นทั้งปวงล้วนแต่เป็นอนิจจังไม่มีสิ่งใดเที่ยงล้วนเป็นทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปล้วนเป็นอนัตตา คือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีแกนสารไม่มีสาระใดๆให้หลงเหลืออยู่ใดเลยใช้โครงกระดูกที่ยืนอยู่นี้พิจารณาสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจงทุกขงอนัตตาอย่างนี้จนจิตมันราบเรียบสหบ ได้ดังนี้แล้วเคยรู้การยืนแล้วก็เอามือฝ่าออกจากการประสาน ด้วยมือซ้ายออกจากการประสานแล้วก็ขยับอิรยิยาบถแล้วก็เดินกลับออกจากการจงกรมก็ยังมีสติยังมีอุเบกขาคงอยู่นะท่านที่พักแล้วก็ไป ทำทุระใครจะไปห้องน้ำก็ไปใครมีกิจอืนอ่นก็ไปเพราะอีกสักครู่เราก็จะใช้สติและอุเบกขาที่ได้มาจากการเดินจงกรมนี้แหละมานั่งสมาธิก็พยายามอย่าไปกระตุกกระตากอย่าไปสวยอารมณ์อะไรที่มันแร ง, แรง เพราะถา้าเราสะเวยอารมณ์หยาบสวยอารมณ์แรงๆเนี่ยสติสมาธิที่ได้มาจากการเดินจงกรมเมื่อตะกี้มันก็คลายตัวออกหมดถ้าสติสมาธินี้คลายตัวออกหมดการไปนั่งสมาธิต่อจากนี้ไปก็จะอ่าเราก็จะนั่งจากอารมณ์อัญญาบผลมันก็จะต่างกัน แต่ถ้าเราประคองสติไว้ให้มีสติอุ ก, กํำลังของอุเบกขาก็ยังคงอยู่แม้่ไปใช้ห้องน้ำก็จะเปิดประตูปิดประตูก็ใช้ด้วยสติจะเดินจะอะไรต่างๆหรือมีกิจอะไรจาเป็นที่จะต้องทาก็ประคองให้ทำให้รู้ให้ดูให้ให้เคลื่อนไหวด้วยสติจากนั้นก็กลับมานั่ง มานั่งแล้วก็พยายามรู้กายไว้ดูกายไว้นั่งก็อย่าไปขยับในอิริยาบถ ท, ที่กระโชกโ霍ห่างที่มันทําลายตัวสติที่ธรรมล า, ลามทําลายตัวอุเบกขาเพราะเรากำลังจะเข้าถูงการนั่งสมาธิต่อจากนี้ไปมีเวลาอีกไม่มากก็ให้เวลาพวกเรา ได้ไปทําธุระส่วนตัว45นาทีนะ